ท่านสาธารณชนบริษัททั้งหลายสําหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบห้าตอนที่สิบห้านี้จะพูดกันถึงเรื่องศิลและกำหนดสิบข้อที่สามสำหรับสินและกำหนดสิบข้อที่สามนี่คือสินสินก็เหมือนกับกำหนดสิบกำหนดสิบก็เหมือนกับศิน ในความหมายถึงความว่าเป็นข้อที่กล่าวถึงการมีสุเมชาจารย์แต่สําหรับสิ่งข้อนี้เป็นยังไงก็ขอเว้นไปก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตอนนี้ก็มาขอเตือนกันว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกหรือว่าหนีบาปบาปคือความชั่วผล ค, ความชั่วทําให้ตกนรกเป็นต้น การหนีบาปนี่กระยำกันไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระทศพลคือบาป ท, ทั้งหมดเราหนีไม่ได้หนีแต่บาปอยาบหยาบแต่ว่าถ้าทำได้ทุกชาติที่เกิดไปใหม่ตายจากชาตินี้แล้วหรือเกิดชาติต่อต่อไปแล้วว่าตายใหม่กรรมที่ว่าต้องลงนรกเป็นต้นจะไม่มีสาหรับพวกเราทั้งหมด องสมเด็จพระรัมยุคทรงยืนยันการหนีได้รกก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็จงอย่าประมาทว่าความตายของเราถ้าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายอันนี้ไม่ถูกต้องท่านดั้งหลายจะเห็นว่าคนที่เกิดมาทีหลังเราตายไปก่อนเราต้องเยอะ จะได้ความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่แน่ท่านให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไวเสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็จะสร้างแต่วความดีเมื่อสร้างแต่วความดีสิ่งที่พึงได้ก็คือความสุขในปัจจุบันเราสำราญพบความดีที่พึงปฏิบัติรนดับต้นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรมแลพระอริยสงฆ์เป็นการเป็นป้งกรเป็นป้งกาะป้องกันตนไม่ลงอบายะภูมิและต่อไปก็ทรงสินห้าหบริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจดีขึ้นก็ทรงกำบทดิให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษุททั้งหลายคำว่าต้องเกิดเป็นสันรก เป็นเปรตเป็าสุรกายเป็นสติรฉานจะไม่มีกับท่านอีกบาปรุ่นสนต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดจะไม่มีผลทำให้ท่านปรากฏว่าต้องลงอบายภูมิในกวามหมายความว่าบา ป, บาปตามท่านไม่ทันต่อไปการเกิดของพวกท่านทั้งหมดจะมีมนุษย์เทวดากับพรหม และต่อไปถ้ากำลังบารมีเข้มข้นก็จะถึงนิพพานในที่สุดตอนนี้ไปก็ขอาพูดเรื่องสิงข้อที่สามสำหรับสิงข้อที่สามนี่กล่าวว่าการเมสุนิชาจาราวีรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่างดเว้นในการบริโภคกรรมคุณนอกเหนือจากสามีรภัญญาเขาบุคคลอื่น นอกเหนือจากสามีพัญญาเขาตนเองนะเราจะไม่ไปยุ่งกับสามีหรือพัญญาเขาพวกคนอื่นเป็นอังขาดสำหรับสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าทนทำได้สิงก็ดีธรรมะก็ดีที่องค์สมเด็จเปชินาสีบรมศ า, ศา ส, สัดาสมมาธุพุทธเจ้าสงตรัตไม่ใช่หวังผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียว ทั้งศีลและธรรมถ้าปฏิบัติได้จะมีผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปในควาหมายามจะมีผลต่เริ่มปฏิบัติแต่แรกจิตใจเริ่มเป็นศุขว่าเรามีโอกาสเว้นความชั่วได้ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับข้อาการเมีนิบันดาแทนพุทธบริษัทถ้าจะว่ากันถึงโทษในอบายภูมิ เจะว่าหนักก็ไม่หนักเจะว่าเบาก็ไม่ได้แต่ความจริงยังตกนรกขั้นเบาเฉพาะข้อนี้นะถ้าไม่มีข้ออื่นเจือปนตกนรกแค่สิมพีนรกทะเลือนรกตน อ, อยไม่หนักนักถ้าได้ว่าโทษในชาติปัจจุบันที่บรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าไปยุ่งกับพัญยาและสามีคนอื่นมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าบรรดาท่านนั้นหลายผู้รับฟังจะถามว่าเอากฎหมายที่ไหนมากกันมีโทษเป็นชู้สามีพัญยาเขาคนอื่นมีโทษประหารชีวิตเห็นจะเป็นกฎหมายของวัดท่าสุงกรมัง บางทีบางอะไก็อาจจะสงสัยอย่างนี้ได้บรรดาญาโยมพุทธบริษัท ต, ต่ความจริงกฎหมายของวัดท่าสงไม่ปรับโทษเลยไม่ว่าใครทำละเมิดสิขาบทของศีลในกระบอสิทธข้อใดขอ้อหนึ่งก็ตามวัดท่าสงนี้ไม่ปรับโทษใครทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไม่มีกฎหมายจะปรับมีแต่ธรรมะดะวิ น, นัย ทีอาตมากล่าวว่ามีโทษถึงประหารชีวิตจะเป็นกันมาแล้วก็เป็นว่าเจ้าของเขาสามีก็ดีหรือพัญญ่าก็ดีผู้เป็นเจ้าของสามีและพัญญาที่ท่านเข้าไปละเมิดเขามีความโกรธท่านผู้ละเมิดมีโทษถึงประหารชีวิตคือโทกฆ่าตายมานับไรายไม่ทุน ทพผนพูดถึกฎหมายเข้าบ้านเมืองท่านเขียนว่าอย่างไงอตรตมาไม่ทราบท่านผู้วิพากษ์ภาษาท่านตัดสินว่ายังไรธรรมาก็ไม่ทราบแต่ว่าเจ้าของเขาตัดสินนี่หนักมากบรรดาท่านพระธรรมสัจถ้าหากว่าเราได้เบิการที่สองถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้แบบนั้นเขายังจับไม่ได้ใจเราก็ไม่มีความสุข พะเจอสามีและพันยาของเขาเมื่อไรจิตใจก็เริ่มไม่สบายใจถ้าก็พูดเรื่องอย่างนี้ปรารกทเรื่องคนอื่นเราก็สะดุ้งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรพวกเราเป็นคนผิดคิดชั่วแล้วก็ทำชั่วต้องพยายามเอาตัวออกห่างมาเสมอ ถเยาว่ากันตามภาษาพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเม่ก็หนักไปมากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทภาษาพระถือว่าการร่วมรักในใด้า น, นการมารมไม่มีจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นสุขเลยมีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่ตนเห็นว่าดีคือร่างกาย มันก็เต็ ม, มด้วยความสุขรกระโกระโคลกและในที่สุดรวบโชมโนมพันธ์ที่ผ่องใสก็เหี่ยวแห้งลงไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ในที่สุดความแก่เข้ามาถึงความต้องการที่เราวาดไวมันก็สลายตัวดอกไม้เหี่ยวไม่มีใครต้องการย่าข้อนี้ฉันใด ร่างกายของคนก็ไม่กันทันลาาเวลาล่า ก, การล่าสมัยผู้คนต้องการก็ไม่มี <c oughs> เราที่จะเกียดแต่กายเสี่ยงชีวิตคิดว่าถ้าอย่าของเขายังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับได้ยอมตาย ท, ทั้งทั้งที่เขาจับไม่ได้เราก็หมดอะไรในะร่างกายนั้นแล้ว <c oughs> ทา้านีเพราะอะไรเพราะสิ่งสดใส ที่ต้องการไห้ปรารถนาไววมาเศร้าหมองลงไปแต่พูดตามภาษาพระนิบรนดาท่านพุทธบริษัทมันก็ขัดคอชาวบ้านเพราะว่าท่านหลายเรื่องที่ยังมีความต้องการอยู่อย่างเห็นว่าดีแต่คอยดีประเภทแบบปลอดภัยอย่าเสี่ยงอันตรายเกินไป <c oughs> เพราะสิ่งที่ได้มามีความมีระการสัมผัสนิดห่อยแล้วก็จากกันไปความอิ่มเอิบทางกายมันก็ไม่มีจะมีบ้างกับความอิ่มเอิบทางจิตใจก็ไม่มากมายอะไรนัก <c oughs> ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดการเบื่อหน่ายความจริงเรื่องการเสพการมารมในสามีและพันยาเขาบอกคนอื่นไม่มีอารมณ์เป็นสุข มันจะไปสุขชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเราเกรงเขาจะจับไดถ้ถ้ามีอารมณ์ใจประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบุคคลอื่นใดเขารู้นิสัยใจคอของเรารู้จริยาที่เราทำเข้าเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้งหลเราเองก็จะเป็นที่รังเกียจเขาบุคคลนั่งไหล ไม่มีใครเขาปรารถนาอยาจะคบหาสมาคมด้วยทั้งนี้พราอะไรก็เพราะว่าไว้ใจไม่ได้ให้เป็นเพื่อนหน บ, บ้านไม่ได้พยายามตีท้ายครูอยู่เสมอแล้สิ่งที่จะมาถึงข้างหน้าคือศักดิ์ศรีสามไปความตายจะเข้ามาถึงนี่ว่าการนั้งโทษการมในชาติปจุบัน สำหรับในชาติสัมปรายภพอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสงสัยว่าการตายแล้วเกิดจะไม่เกิดอาจะมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามคำยืนยันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าตายแล้วเกิดจริงนรกมีจริง เปรตอสุรกายมีจริงสัตว์ประหลาไม่ต้องพูดกันเองอยู่แล้วเซ้า <c oughs> ว, วันนึกพมาโลกก็มีจริงราณนิายก็มีจริงถ้าอยากจะถามว่าที่พูดอย่างนี้พูดตามตำรายใช่ไหมก็ต้องขอยอมรับว่าพูดตามตำราย จ, จริง และก็ได้บัตรปฏิบัติตามธรรมานแล้วแล้วก็เห็นจริงพบจริงตามธรรมานั้นก่อนจะได้อ่านธรรมราสมัยเป็นเด็กตายครั้งแรกก็สามารถจะไปนรกได้แบบสบายๆต้องการเห็นเทวรัคน์ต้องการเห็นพรทมาโล ก, ก็เห็นได้ทั้งหมดคนที่ทำความดีเสวยผลความดีแบบไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่ยุคิปีเศษ คนที่ทำความชั่วตกนรกคุ้มไหนมีโทษมีทุกข์มีโทษเป็นไปการใดมีทุกขเวทนาขนาดไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเศษจยิงกล้ายืนยันตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกสาธิยและก็ในปัจจุบันนี้คนในประเทศไทยนับแสนเขาสามารถท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆได้ และคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งที่อยาต่างประเทศแม้แต่พม่าได้จินเขาก็สามารถไปกันได้คนไทยที่อดตัวว่านับถือพระพุทธศาสนาบางท่านยังจะสงสัยอยู่อีกก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมจะได้เป็นอย่างนั้น ถ้าพูดรู้ว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้มีคนสงสัยถ้าคนธรรมดาสงสัยไม่เป็นไรคนผิดธรรมดาสงสัยว่าทำไมปฏิบัติกันแบบไหนไม่เห็นมีแบบฉบับที่ไหนเป็นการกระทานอกเหนือพระพุทธศาสนาเคยได้ยินมาบ่อยบัรดาเต็พุทธบริษัท ก็ขอต่อเส้นในที่นี้เลยเพราะว่าเทพอันนี้จะยืนยันเป็นการทรงตัวอยู่ไม่ลบละ่ะจะพูดกันดีวัดท่าทรงทุกวันเพราะการปฏิบัติในพระพุทธศา ส, สนานั่นแนะได้โปรดยังงมเฉพาะเข็มเล่มเดียวหรือจะมองลุยพจนานสือจุดเดียวจะความจริงสื่อสายกันมาแล้วนะ ในหลักสูตรต้องทำโทรก็มีสุขวิปัสสโกเตวิโชชระพิญโยปฏิสัยมิทัพปโตอย่างนี้สึกษสายกันมาแล้วแล้วทำไมไม่ลองทำบ้างการเรียนํำราทำกับข้าวหรือทำขนมอ่านเฉพาะตำราแล้วก็ไม่เชื่อตำราให้ครบถ้วน ชอบใจอย่างใดก็ทำก็อ่านเฉพาะอย่างนั้นซึ่งนอกเหนือจากนั้นอ่านแล้วก็ทิ้งไปไม่สนใจและก็ไม่ลองปฏิบัติเท่างสี่รายการแล้วท่านจะรู้กันได้ยังไงจะเห็นกันได้ยังไง ร, รวมความว่าเป็นการอ่านหนังสือหลอกตัวเองเท่านั้น ความจริงการปฏิบัติพะรู้ชาตินี้ฉันหน้าตายแล้วเกิดทาไมเกิดเป็นการปฏิบัติไม่ได้ไม่ยากใช้เวลาอย่างมากเพียงสามวันวันสามวันนี้เขาถือว่าทื่อมากแล้วนะแจมบอกว่าเลวมากก็เกรงใจใช้สับว่าทื่อมากแล้วหาความคมไม่ได้แล้ว แค่สามวันเราสามารถทํากันได้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกศาสนาสมาสมาสัมพรทธเจ้าดำรงอยู่สมัยนั้นคนนี้ไม่เคยพบองาาค์สมเด็จพระบรมครูเลยเพียงแค่ฟังเท่จบเดียวก็ได้กันเป็นแถวเพราะว่าทานอภัยถึงเขารับอย่าเข้าชานหลับตาเพลึนเกินไป มองอะไรมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้รอบตัวเท่านี้ท่านอย่าไม่สงสัยผลที่การไปพุทธปฏิบัติแบบวิชาสามและอภิญญา6กมันเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่คนที่ไมสามารถจะมีวิชานี้ได้เขาสงสัยเหมือนกันรวมความว่าท่าตายแจกความเป็นมนุษย์ ถ้าโทษกามเมสุมิชาจารย์เขาก็ให้ไปขึ้นต้นยิ้วสนุกสนานดีมากเคยไปยืยนชมไอเจ้าหนามิ้วมันก็เหมือนกับสปริงพุ่งตัวมาได้ท่านว่ายาวสิกองคุรีก็ยังไม่ทราบว่าองคุรีของไข่พอไปยืยนดูใกล้ๆหนามยิ้วมันจะยาวเกินตัวอาตอมาเองมันยาวมากที่แรกมันก็ลูติดนิดเดียว พอมีคนตต่ขึ้นไปมันก็พุ่งพวรวดทะลุหลังข้างล่างท้าหล่นออมาถูกสนัขหมานารกมนไม่ใช่หมาธรรมดาตัวใหญ่มากกัดแล้วก็กินเนื้อขึ้นสูงขึ้นไปมีแรงกาตัวใหญ่จิกกัดกินตีหล่นลกมาหมากัดกินและถทูนาริวันเอาหอกเสียบพุ่งขึ้นใหม่กระรองความมาโทษทันในชาติหน้าารแรงเหลือเกิน อย่าทำกันเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้มาว่ากันถึงคุนถ้าเราเว้นข้อาการเบรยสุเมชาจานี้ได้เรารักเฉพาะพัญญาแล้วสามีของเรารัก ไ, ได้กามารมณนะ์ร่วมรักมีความสุขไม่ได้กามารมณ์เฉพาะสามีและพัญญาของเราในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมองเห็นความสุข ความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นก็ลงความว่าต่างคนต่างไม่วางใจสิ่งกันและกันความรักความสามาัคคีมันก็เกิดในบ้านอย่าเหมือนสวรรค์มีแต่ความสุขการขัดคอกันและอื่นไม่หนักนะักทะเลาะกันเรื่องการเงินกันทองประเดี๋ยวก็เลิกได้ขัดคอก็ได้เหตุผลบางโดยการเดี๋ยวก็เลิกได้ เจ้าขัดใจกับเรื่องชู์สาวในบรรดาแต่พุทธบริษัทขัดใจกับเรื่องการนอกใจนี่เป็นผีเส้นหลายรายมามองดูเรื่องการไม่ขัดใจกันเจอหน้ากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างก็มีความสุขการปรารถนาในความรักจะจืดจางไปบ้างก็อยู่ในขั้นเห็นใจซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่ายังงวัดเว้นบ้างจะขาดไปบ้างแต่ไม่น่อใจก็ไม่เป็นไรพ่อบ้านแม่บายก็ยังมีแต่าการชุ่มชืนนี่เรียกว่าความสุขในบ้านบ้านเป็นสวรรค์เห็นได้ชัดและถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปคบหาสมาคมกับคนอื่นไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราไม่เจ้าชู้เราไม่น่อใจสามีระพัญญา เป็นคนที่มีความรักษามีระเบีญนาชื่อตรงกก็ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็แปลว่าครอบครัวนี้จะถือเป็นครอบครัวที่ชาวบ้านเชิดหน้าโูตายกย่องสรรเสริญเพราะความมีอยู่เป็นสุขจะไปที่ไหนก็มีคนชอบคบค้าสมาคมด้วย เพราะว่าใครๆก็รักคนนี้ไม่นอกใจสามีแต่พัญญาแต่คนใดที่นอกใจสามีแต่พัญญาถ้าฝ่ายชายไปบ้านใครเจ้าของบ้านนั้นเขาก็ไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีย่อมไปเจ้าชู้กับเมียเขาหรือเจ้าชู้กับลูกสาวของเขาอันตรายมันก็มีเขาก็เกลียดถ้าฝ่ายสตรีออกไป ฝ่ายพัญญาจะของบ้านก็ไม่ไว้วางใจว่าคนนี้แกไม่เลือกไปว่าใครเป็นใครดีไม่ดีจะไปย่องมาแย่งสามีชิ้นข้าก็าได้ความไว้วางใจก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อเขาไม่ไว้วางใจในเราความสนิทสนมมันก็ไม่มีจะมีบ้างก็เป็นการยิ้มบางหน้าเท่านั้นเองที่แท้จริงๆใ น, ในใจมีความรังเกียจ นี่นิบรนดาท่านบริษัทในเมื่อในเมื่อเขาลังเกะเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ความยากลําบากเมื่อเขาเกิดขึ้นกับเราแลนอกจากนี้บรรดาท่านพพระุทธบริษัททั้งหลายเราจะไปที่ไหนคนไว้ใจไม่มีแล้วก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดขาดแคลนจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ถ้าปรารถนาการช่วยเหลือของเพื่อนบ้านด้วยกันก็ายากเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากให้เพราะเราเป็นคนเจ้าชูม้มากเกินไปนี่ว่ากันทึงความสุขเลือความทุกข์ในชาติปัจจุบันสำหรายพบทำหรับคนเว้นใจนในการนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสวรรค์นแน่ทางนี้พบ อ, อะไรเพราะว่าคนที่จะทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ มีความรักเฉพาะในด้านการมารมเฉพาะสามีและปัญญาของตนอื่นสินทุกข้อที่บอกมาแล้วว่ามีธรรมะสิงอยู่ทั้งหมดการปฏิบัติสินไม่ใช่ขาดธรรมะธรรมะที่ต้องสิงใจในสิงข้อที่สามก็คือหนึ่งม่ตาความรักสองกรณาความสงสาร สารสันโดดยินดีเฉพาะสามีและพัญญาของตนเท่านั้นยินดีในเน่นการมารมนะเห็นคนสวยเห็นคนปฏิบัติดีนี่เขาไม่ห้ามจะชมคนอื่นได้แต่ชมเบาๆอย่าให้พ่อบ้านแม่บ้านได้ยินบ่อยเกินไปประเดี๋ยวกำลังใจจะตกชมใครก็ชมได้แต่จะลืมหันไม่ชมในบ้าน ถ้าทมหญิงนอกบ้านก็พูดไปพูดมากระวกว่าทิ้งก็ไรก็ดีก็ยังสู้แม่บ้านเราไม่ได้แม่บ้านเราก็เรามีความลเอียดอ่อนดีกว่านี้มากถ้าท่านฝ่ายหญิงจะชมชายนอกบ้านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างนี้มันก็มีความสุขเองของไม่อยากถ้ารู้จักเอาใจซึ่งะกัน เรียกว่ามีศีลทุกขอ้อมีธรรมะครบข้อนี้ก็มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารนะักะสันโดษ ย, ยินดีเพราะสามีและพันยาของตัวเองเท่านั้นที่ว่ามีเมตตาความรักก็หมายความรักตัวเราด้วยรักสามีและพันยาของเราด้วยแลรักจิตใจขเขาบุคคลอื่นด้วย ถ้าเราจะไประมิดสามีและพัญญาเขาพวกคนอื่นเราก็ต้องดูใจเราว่าคนอื่นมาทำกับเราอย่างนั้นเราชอบไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าเราไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราก็รักเขาและก็รักตัวเราเราไม่อยากเสี่ยงให้มันเสียจนเกินไปล้วก็รักสามีและพันญาของเรา้วยคิดว่า ถ้าเราไปทําอย่างนั้นสามีและพัญญาของเราที่อยู่ทางบ้านเธอมีความซื่อสัตย์สุจริตให้เราถ้าเราไปทําแบบนั้นเข้าเธอจะช้ำใจขนาดไหนนี่เดี๋ยวรักสามีและพัญญาต่อมาก็รักตัวเราเองเมื่อเราเป็นอาการอย่างนั้นเรามีความเมตตายอย่างนั้นความเมตตก็เข้ามาถึงเราเราก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตราย ไม่ต้องเป็นบุคคลที่บุคคลนั่งไหลเขาบรรนามว่าเป็นคนเลวสองกรุณาความสงสารอันดับแรกก็สงสารตัวเองว่ากามารมไม่ใช่ของอิ่มเหมือนอาหารไม่มีความจําเป็นนักบ้านของเราก็มีถ้าสงสารสามีด้วยพันยาว่าจะต้องช้ำใจแล้วไม่ทำตามนั้นสงสารเพื่อนบ้านและบุคคลที่เราจะทำ ว่าเขาต้องมาเสี่ยงถึงความเสียหายจากเราผู้เดียวพวกเราไป็ผู้กระทำในเมื่อการอย่างนี้มีขึ้นความชอกช้ำในใจก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่ายทั้งนี้ก็มาจากประโยชน์คือคุณสมบัติของสั้นโดดคือมีความยินดีเฉพาะสามีและัญญานี่ไบรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนา การประพฤติชั่วในข้อการมีมีโทษเป็นรปการใดการพูดมันนี่บรรดาท่านพุทธริษััน์หลายเวลาจำกัดจะพูดเอาละเอียดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยช่วยกันคิดถ้าเราทำความดีขอ้อสาวกสาวกององสมเด็จปัรรมัสามิตรถ้าเราเว้นได้จะมีประโยชน์ขนาดไหน ความสุขกายสุขใจจะมีทั้งเราและสามีปัญญาของเราด้วยและสามีและพัญญาเขาบุนคคลอื่นด้วยบุตรทิดาเขาบุนคคลอื่นด้วยบุตรทิดาของเราด้วยต่างคนต่างช่วยกันมีความสุขต่างคนต่างช่วยกันมีความชื่นใจถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายความจริงก็จะเห็นจะมีอะไรยาก สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระเดชพรงห้ามเ้วเลยเป็นเพียงแนะนำว่าอย่าทำนะมันจะผิดใจกันเท่านั้นผิดใจคนอื่นไม่เป็นไรหลบได้แต่ว่าผิดใจคนในบ้านทีนบันดาแต่พุทธบริษัทหลายอันตรายมันเยอะดีไม่ดีไม่ทราบว่ามีโตมาถึงตัวเรามาอะไรก็มีหลายรายที่นิ้วมือขาดไปไรประโยชน์ในการใช้นิ้วมือ ทางนี้พ่อเราเพรา ะ, ะว่าเจ้าของเดิมตัดนิมืออร์ทิ้งไปเพราะว่าเจ้านิมือจังไรแบบนั้นมันไปใช้ที่อื่นไม่ได้ใช้ที่บ้านกรงความมาโทษทันมาเพื่นี่ไสมาจากอะไรมาจากขายกวานส้นโดดยินดีนอกบ้านใช้ไม่ได้ขาดเมตตาความรักขาดกุณาความสงสารฉะนั้นขอบรรดาลพระพุทธบริษัททุกท่านหวังจะทรงสิงข้อนี้ให้บริสุทธิ์ปลดปล่อย ก็ต้องเอาลมธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งสอนไว้ว่าหนึ่งเมตตาความรักรักตัวเรารักภัญญาสา ม, มีของเรารักคนอื่นกรุณาความสงสารสงสารตัวเราสงสารสา ม, มีและปัญญาของเราสงสารคนอือ่นและกิดสันโดษจำกัดความรักในประเภทนี้เฉพาะปัญญาและสา ม, มีของเรา เท่านี้ระเบรดาท่านพุทธบริษัตถ์ทุกท่านทุกท่านจะมีได้ความสุขหั่นษาไม่มีความต้องสะเทือนใจเดือดร้อนใจเรืประการนี้จะไม่มีต่อไปและท่านทั้งหลายจเป็นที่รักขบวนคนทั้งหลายเป็นที่เคารพขบวนคนทั่วไประบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีเขาเลิกเท่านี้ ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีเดบรรดาจปนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี